เต็มห้องเลยเนาะหน่ อ, น อ, น อ, น อ, นอนสิบห้าเี่สิ่สอ่เอานั่งภาวนาทีนี้ นั่งภาวนาแข่งกับเสียงนั่งภาวนาแข่งกับเสียงรีไฟใช่หน่อยกันดีอ่าอ่าให้ความรู้สึกไปอยู่ที่หูจะเล็กประมาณเท่าไหร่ <c oughs> เล็กประมาณเท่าไหร่ อ่ครึ่งคืนเนาะฮะะโอ้ยโอ้ยแล้วฮะ <c oughs> ภาวนามันนังภาวนาแข่งกับเสียงมันนังแค่นี้บ่ <c oughs> มันไม่ดังมันดังแค่นี้มันไม่พอจะจูบเสียงหูอะไรเนี่ยเรานั่งภาวนาแข่งกับเสียงเรานั่งภาวนาแข่งกับเสียงไม่ดังแล้วทีนี้ เรานั่งภาวนาแข่งกับเสียงกำหนดคำบริกรรมมาภาวนาให้ใจสงบตั้งใจทำเป็นเหตุใจสงบเป็นผลนั่งภาวนาแข่งกับเสียงให้ความรู้สึกอยู่ที่หูเรา อย่าให้มันไปอยู่ที่เสียงทำได้ไหมให้ความรู้สึกรู้สึกว่าได้ยินเนี่ยให้มันรู้สึกอยู่ที่ที่หูเราเนี่ยอย่าให้มันไปอยู่ที่เสียงเราทำได้แค่นี้เราก็ตัดตัณหาที่มันจะพึงแทรกมาได้ครึ่งหนึ่งแล้ว โดยปกติ ie, แล้วท่านตังหานี่สิ่งเันนี้น ม, นมันเป็นสื่ lover, los, <org> อของมันมันออกไปหากินรูปกินเสียงนี่แหละเทิมเทิมเมเมเทมเทมันไปแล้วบางทีมันก็ว่าดีบางทีมันก็ว่าไม่ดีดีก็ไม่ใช่ไม่ดีก็ไม่ใช่ต้องสักทวได้ยินเกิดความรู้สึกว่าได้ยินได้ยินที่หูเราเนี่ย ทำความรู้สึกอยู่เฉพาะหูเราเนี่ยได้ยินอยู่ที่หูเราอยาให้มันลุกลามเลยเถิดไปถึงขัดข้องมองใจนั่นแสดงมันเลยไปแล้วกิเลสตัณหามันลุกลามไปแล้วถ้าที่จริงตัณหาใหม่ที่เกิดมันก็จะเกิดอย่างนี้แหละมันจะเกิดจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสนี่แหละอันเกิดขึ้นจากใจมันออกจาก อยายตนะภายในไปสัมผัสภายนอกใจของเรามันออกไปใจมันออกมาทางตามันก็ไปยินดียินร้ายกับรูปมันออกมาทางหูมันก็ไปยินดียินร้ายกับเสียงทําความรู้จักทําความรู้เท่าทันในปัจจุบันในปัจจุบันคือตอนนี้เดี๋ยวนี้ขณะนี้รู้สึกอยู่กับเนื้อกับตัวสดสดร้อน นี่คือตั้งใจภาวนาเราทําได้อยู่อย่างนี้จิตของเราจะสงบการที่เราพยายามลดเลิกละความทุกกองทุกอกอกอจากหัวใจถ้าเราไม่เห็นเหตุเห็นปันจจัยของมันความทุกจะสงบไม่ได้จะระ ง, งับไม่ได้เพราะความทุกไม่ใช่มันเกิดขึ้นลอยๆมันไม่เหตุของมันความทุกทั้งหลายามันเกิดขึ้นมันมีเหตุ ไม่ใช่มันเกิดขึ้นลอยๆเหตุข้องมันเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากตรงนี้แหละเกิดทางตาทางหูทางจมูกทางกลิ่นทางลิ้นทางรสอยู่นี่แหละมันเกิดที่นี่แหละเวลาตั้หามันเกิดมันก็เกิดที่นี่เกิดที่ตาไปกระทบรูปเกิดที่หูไปกระทบเสียงเกิดที่จมูกไปกระทบกลิ่นลิ้นไปกระทบรส ที่สำคัญที่สุดก็คือสัญญาอารมณ์สัญญาอารมณ์นี่มันน้อมนึกสิ่งที่ล่วงไปแล้วมันดับไปแล้วมันล่วงไปแล้วปุ่นขึ้นมาใหม่ปรุงขึ้นมาใหม่ถ้าเราสังเกตเห็นสังขารมันปรุงที่จิตสักแต่ว่าสักแต่ว่าปรุงไม่ยินดีไม่ยินร้ายสักแต่ว่าปรุงไม่ยินดีไม่ยินร้ายปัญหามันแทรกเข้ามาไม่ได้ เราศึกษาอยู่อย่างนี้เรารู้ที่เกิดของตัณหาเราย้รู้ที่ดับของตัณหาเราไปสำคัญมั่นหมายตามสัญญาลมว่าอนุนั้นดับอันนี้ดับอันนี้ดับอันนั้นดับถ้าเราไม่เห็นตัณหาดับเรายังไม่มีกําลังเรายังไม่เห็นศัตรูตัวที่ร้ายกาดมันดับ เราตั้งใจภาวนาให้ใจอยู่กับพุทธโธอย่างเดียวตัณหากำเริบไม่ได้แสดงว่าตัณหามันกำเริบไม่ได้เพราะสมถะสมถะจิตอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวไม่ให้มันเปลี่ยนเป็นเป็นสองอารมณ์ถ้าเปลี่ยนเป็นสองอารมณ์ก็แสดงว่าอารมณ์ที่หนึ่งคืออารมณ์ของที่เหลวมันจะแทรกเข้ามาแล้วอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวนันเป็นธรรมพอมีอารมณ์สองมาแยกปั๊บ เป็นเรื่องของตัญหาแล้วมันเป็นเรื่องของกิเลสมันเป็นเรื่องของอวิชชาเป็นเรื่องของโมหะมันเป็นเรื่องของตัญหาของอุ ป, ปาทานของอไรว่าอย่างไรถูกหมดเราตั้งใจภาวนาเราดูมาทิใจของเราดูอาการทิ่ใจของเราเราไม่ต้องไปแยกแยะตีความ เราไม่ต้องไปแยกแยะตีความกับสิ่งเหล่านั้นทำความรู้สึกจ่อไปตรงนั้นเลยคืออะไรก็ช่างมันแหละทำความรู้สึกจ่อเข้าไปเลยคืออะไรก็ช่างมันเราจะได้เห็นกิริยาการเกิดขึ้นอาวั้งใจเข้ากากับเข้าให้มันอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวย้ายอารมณ์สองโผลมาเด็ดขาดพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอ้าให้อารมณ์ที่สองโผรมาเด็ดขาด ทำอยู่อย่างนี้ได้ต่อเนื่อง5นาที10นาที20นาทีนี่แหละผลเริ่มเกิดขึ้นแล้วเราตั้งอกตั้งใจทํานี่แหละมันเป็นการสร้างเหตุเราตั้งอกตั้งใจทํามันเป็นการสํารวมสังวรสังวรประทานสังวรประทาน สำรวมใจให้อยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวอยู่กับพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธุธอยู่นานเท่าไหร่ก็ให้มันอยู่ใจพวเราจะเป็นอิสระแสดงว่าใจอยู่ในอำนาจของธรรมไม่ใช่ใจอยู่ในอำนาจของกิเลสถ้าใจอยู่กับอำนาจของกิเลสมันจะทิ้งอารมณ์ธรรมเราพาว่าพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธมันทิ้งไปแล้ว นึกนุ่นนึกนี่คิดนุ่นคิดนี่ปรุงนุ่นปรุงนี้มโนภาพนู่นมโนภาพนี้ปรากฏขึ้นมาเนี่ยเราไม่รู้เท่าไหร่กี่อันรู้ปล่อขึ้นมาเราไม่ทันมันแท้ที่จริงเราฝุกอยู่ตรงนี้มันเหมือนก็เป็นปากรูปากคลองอยตรงนี้แหละยีบมันจะออกไปมันก็ออกไปไม่ได้เพราะเรามีสติเป็นนายทวาร นายประตูเฝ้าทวานอยู่คือทวานตาทวานหูสรุปมาที่ทวานใจให้มันอยู่กับงานคือพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธกํากรรมมาที่ใจหรืออย่าเราจะพุโทโธแลงจ่อมาที่ใจก็ได้พุโทโธแล้วก็จ่อมาที่ใจของเราใจอยู่ตรงไหนจ่อไปเลยถูกอะไรก็ช่างมันแหละลองหัดจ่อไปดูไม่ต้องไปถามใครแหละจ่อไปจะเห็นเองจะรู้เอง ตรงไหนใจอยู่ตรงไหนอะไรเป็นใจพุทโธแล้วก็จ่อเข้าไปพุทโธแล้วก็จ่อเข้าไปเราจะรู้จักกิริยาอาการของใจที่มันจะออกไปแท้จริงงานประตูของงานก็มีแค่นี้ถึงแม้ว่าจะมีอารอมณ์มากมายมหาศาลที่บุติญาณททรงันอย่างมาเพื่อมันเข้ากับจริตนิสัยของคนอบายวิธีที่ครูบาอาจารย์องค์นั้นทาสอนอย่างนั้นองค์นี้ท่านแนะอย่างงี้ ก็คือให้เป็นไปตามจริตนิสัยของคนเช่นอย่างอารมณ์เพื่อความสงบเนี่ยสี่สิบกว่าอย่างที่ท่านระบุเอาไว้เนี่ยแท้ที่จริงมากมากกว่านั้นก็ได้ว่าแต่เราถูกกับจิตนิสัยอะไรแล้วไปฝึกจะได้ผลขึ้นมาผลคือความสงบเอาใจสงบเป็นเกณฑ์ไม่ใช่เอาอารมณ์เป็นเกณฑ์เอาใจสงบเป็นเกณฑ์ ตราบใดที่เรากำกับควบคุมได้ใจเราสงบใจเราสงบใจเราก็มีความสุขเพราะใจนิสระใจที่ไม่ถูกกิเลสหลอกไปใช้กิเลสหลอกไปใช้คือนึกคิดปรุงดีใจเสียใจอิจฉาพิษยาอารมณ์อื่นเราดูยังไม่ชัดเราค่อยสังเกตดูอารมณ์ดีใจกับอารมณ์เสียใจอารมณ์พอใจอารมณ์ไม่พอใจอารมณ์ดีใจอารมณ์ ไม่พอไม่ดีใจอารมณ์พอใจอารมณ์ไม่พอใจหรือไม่ก็อารมณ์รักอารมณ์เกลียดมันจะโผลออะไรขึ้นมาก็จับโล อ, อะไรขึ้นมาก็จับโล อ, อะไรขึ้นมาก็จับกำหนดอยู่แค่นี้ทำความรู้จักอยู่แค่นี้ไม่ให้มีอารมณ์ที่สองมาแข่งมาแข่งกับอารมณ์ที่เป็นธรรมของเราเราทาอยู่อย่างนี้มันเป็นวิบากผลเป็นธรรมเป็นวิบากของธรรม เนื่องจากเราทำงานคือเอาธรรมมาทำงานพุโทโธพุโทโธพุโทโธนี่เป็นธรรมเป็นกรร ม, มเป็นวิบากวิบากต้องเป็นธรรมแน่ๆเลยธรรมกรร ม, มวิบากาพูดมาที่ปลายดังดีกว่าเน<ม><ม>าะโอ้สบราจริงๆ <c oughs> อา่า แข่งมันด้วยที่แข่งองค์เสียงนลยตองเอาหนาให้เสียงอยู่ที่หูเรานึ่งย้ายมันไปอยู่ที่เสียงนะให้ความรู้สึกอยู่ที่หูเราเสียงมันไม่ได้มาขวนเรานะแท้ที่จริงเลยใจเราเนี่ยมันวิ่งไปกวนเสียงจริงหรือไม่จริงเราสังเกตุเถอะเสียงไม่ได้มาขวนเราถ้าเราต้องการให้สงบ เสียงก็เป็นอันตรายต่อความสงบเพราะฉะนั้นในขณะที่เราเริญเดินแบบนี้เราต้องการให้สงบด้วยสติเขาเรียกว่าเรินสติหูได้ยินทำความรู้สึกอยู่เฉพาะหูได้ยินได้ยินได้ยินทความรู้สึกอยู่เฉพาะหูไม่ให้มันปลอไปที่เสียง ถ้าโปรไปที่เสียงและสัญญากระแสเข้ามาเสียงดีเสียงไม่ดีเสียงเพราะเสียงไม่เพราะเรื่องของสัญญาอารมณ์นี่คือตัวมาราร้ายกาศถ้าเราไม่รู้จักหน้ารู้จักตาตัวนี้แหละมันตัวหลอกเราไปใช้ตุกวิญญาณปีญญากิริยาอาการไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสเป็นสัญญาอารมณ์นั่งนึกนั่งคิดนั่งปรุงวุ่นทั้งวันสัญญาอารมณ์ตัวนี้แหละมันเอาเราไปหลอก เอาเรำลึกโงจับดูกนแค่นี้แหละจับแค่นี้จับได้แค่นี้งานมีแค่นี้วงงานเรามีแค่นี้ไม่มีไม่ได้มีเป็นร้อยเป็นพันเป็นแสนเป็นล้านแต่ขอให้ปราลบความเพียรให้หนักเอาตรงนี้แหละสติให้เต็มที่สมรชญญยให้เต็มที่ความภาคความเพียรความอดความทนให้เต็มร้อยสงวนสงโหนต้องมาคับนะ สัมพรวนีละคือการบังคับการบังคับก็คือการสํารวจการสรํา ร, รวนี่คือคือเราสร้างเหตุเหตุนี้เราบังคับได้แต่ผลเรามังคับไม่ได้ในเมื่อเราทําเหตุได้ผลก็ตามมาเราทําเหตุได้ผลก็ตามมาเราเนื้คิดอย่างเดียวนึกอคิดท่านใจสงบมันสงบไม่ได้ถ้าเราไม่มาทํางานเหมือนอยางเราอยากวิมุติอยากหลุดอยากผลอยากได้อะไรทํา อยากได้มรรคผลวิพานเรานึกเราคิดเราอยากแต่ถ้ า, าเราไม่ทำมันมีแต่ความอยากเราไม่ได้ทำคือเราไม่ได้ทำเหตุเมื่อเราเริ่มเมทำเหตุในเมื่อเราบังคับให้มันอยู่กับงานคือเหตุผลพวกผลก็ลจะเริ่มตามมาถ้าหากเราไม่อยู่กับงานคือไม่อยู่กับเหตุ เอาจิตปรุงไปตามความอยากแสดงว่าเราบังคับให้มันได้ผลเราวิ่งตามตันหาแล้วตนามำหล่อเราไปใช้แล้วเราวิ่งตามตันหาอันนี้แหละเป็นงานชั้นเยี่ยมที่เรามุ่งหวังและก็ต้องการด้วยการทุกท่านทุกคนแต่เรามีความพยายามสู้สู้ตันหามไม่ได้ ทำความรู้จักมันกับแค่นี้แหละเดี๋ยวมันจะค่อยกระจายเข้าไปสติปัญญาของเราจะค่อยๆเพิ่มขึ้นไปญญความชับไฟของสติความพร้อมพร้อมด้วยสมาธิความกระจายจุดประกายเพื่อจะให้เกิดปัญญามันก็ยังตามมาขอให้ตั้งใจทำเหตุให้เต็มร้อยเหตุนี้ต้องบังคับใส่นะไม่บังคับใส่ไม่ได้แต่ผลอย่าไปบังคับถ้าบังคับผลจะผิด แล้วมดทุกสมุทัทยนโมามันมีเหตุกับผลเหตุนหนึ่งเป็นเหตุห้เกิดทุกเหตุนหนึ่งเพื่อดับทุกเหตุนหนึ่งเพื่อดับทุกเหตุนึ่งปรุงแต่งขึ้นมาให้เกิดทุกเหตุนหนึ่งปรุงขึ้นมาเพื่อดับทุกดับได้อะไรนโรติลกยสัจสี รูปแรคือเหตุกับผลตอนอดิศเราตั้งใจสํารวมระมัดระวังตั้งใจทํำยังไงพยายามตั้งสติตั้งปุ๊บปั๊บขึ้นมามันไปแล้วไปถึงแล้วดึงปุ๊บปั๊บขึ้นมาโอ้องความรู้สึกทําความรู้สึกรู้สึกที่กายรู้สึกที่ใจมันพร้อมอยู่กับอารมณ์ปัจจุบนันขยับกันอยู่แค่นี้แหละ เดี๋ยวมันจะเริมเข้าใจจะเริ่มรู้เรื่องมันจะเริ่มไปจายไปของมันเองมันจะเป็นเรื่องของเหตุของผลของเหตุของผลของเหตุของผลมาเกี่ยวข้องกับเราเราจะไม่สับสนเราจะไม่บุ่นไายเราจะทราบว่าความสุขอันเกิดขึ้นจากความสงบนั้นเป็นความสุขที่บริสุทธิ์จริงๆซึ่งเป็นความสุขที่ประจักษ์ ความยินดีประสิจากความยินร้ายถ้ายินดีที่ไรอยากยินยินดีที่ไรยินร้ายทีไรเมื่อไรนั่นแหละสิ่งเล่านั้นนะท่านเรียกว่าอาวิทอาวิทย์คือมีสิ่งปรุงสิ่งประกอบให้เกิดเราดีใจพอใจให้เราเสียใจให้เราไม่พอใจมันเกิดขึ้นจาอาวิทแต่ด้ยเหตุที่จิตไม่ปรุงจิตสงบ มันเป็นทั้งทว่าเป็นความสุขที่บริสุทธิ์ไม่เจือด้วยอาวุธไม่เจือด้วยเรื่องราวด้วยสิ่งด้วยของเป็นความสุขที่ทําให้จิตงเราได้พื้นได้บ า, าได้ฐานจริงๆขยับอยเก็บแค <c ười> ่นี้แหละเสียงเป็นศัตรูต่อความสนุกภาวะแบบนี้เราต้องใชส้สติสติบงังคับสติให้อยูวยว่เฉพาะหูเราเนี่ย อยูกับตุ้กับเนื้อกับตัวของเราหรือจะตั้งใจภาวนาพุทโธท่าทายแล้วก็ภาวนาพุทโธท่าไทยนะพุทโธพุทโธพุทโธทําเหมือนหนึ่งว่าเราลืมเสียงไปซะลืมเสียงไปซะถือว่ามันจะเติมเติมเติมเมที่หูแต่เราก็ไม่สนใจไม่ใส่ใจใส่ใจจำเพาะใจพุทโธพุทโธ อันนี้เ ป, นเป็นเรื่องของสมถตสมถติมีปัญญาไหมรับพิจารณาดูแค่นี้สมมติมีปัญญาไหมมันมีเหตุมีปัจจัยซึ่งอาศัยเหตุอันเดียวกันปัจจัยเดียวกันนี่แหละให้เกิดสมาธิทำให้เกิดปัญญาถ้าไม่มีสติสมาธิจะเกิดไม่ได้ ถ้าไม่มีสติสมาธิกเกิดไม่ได้ปัญญาเกิดไม่ได้ความเห็นละเอียดหยาบลึกตื้นเข้าไปเห็นไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวสติตัวนี้แหละจึงเป็นน้ำมันสาหรับให้เครื่องจักรเครื่องยนต์เตินได้ผลพยายามสัรมบรวมัลบระลวังเข้ามาตะล่อมเข้ามาวัดดูสติสัมปชัญญะในใจของเรา สติคือความตื่นโรของจิตของเราเลยจิตของเราท่ารู้ท่ารู้แต่ถ้ารู้ของเรารู้ดับยับดับยับดับยับดับยับดับยับดับยับดับอย่างอืนสวมรอยเข้าไปยับดับอย่างอื่นสวมรอยเข้าไปแต่เราท่าเราตั้งใจมีสติกำหนดจดจ่อรูอยู่ได้ยินมันสักงให้ว่าได้ยินีแท้ที่จริงผู้ได้ยินคือผู้รู้เ่ยท่ารู้หนึ่งมันได้ยิน คือใจนัค ไ, ได้ยินใจได้ยินทางภาษาตามหลักท่านว่ า, าสัทธะสัทธะสัทธะสัทธะโสตะโสตะโสตะวิญญารู้แจ้งรู้แจ้งรู้แจ้งตัวที่ทำให้รู้แจ้งคือตัวสติตัวสัมปชัญญะตัวนี้แหละตัวปลุกจิตของเราให้ตื่น เป็ตัวปลุกผู้รู้เของเรายตื่นสำรวจจุดระดูน้ํามันของเราเพือตัวนี้ประคอเข้ามาดึงเข้ามาประคอเข้ามาตะล่ำเข้ามากระคอเข้ามาตะล่ำเข้ามาเล่นกันอยู่นี้แหละเล่นกันอยู่แค่นี้แหละพร ะ, พระคาบกระคอนี่แหละใจนี่แหละคือนิพพานในใจของเราของท่านก็คือของท่านของเราคือของเราศึกษาเพื่อความเพื่อความดับทุกข์ในใจของเราศึกษามาแค่นี้ เจริญสมถะธาตุเจริญตามหลักมหาสติคือวิปัสสนาสมถาวิปัสสนาสมถะเพื่อตะรับเข้ามาเพื่อให้จิตของเรามีพลังมีกําลังกําลังคือความสงบอาศัยความสงบที่จิตของเราอิ่มเบิบจากความสงบนี้แหละมาพิจรารณาพิจรารณารูปเสียงกิ่นรสโธพธฐัพพะโดยเหตุที่จิตของเรามันอิ่มเบิบมันแน่นเหมือนกับกายของเราอิ่มนะเหมือนกัท้องเราอิ่มนะ ใจของเราอิ่มก็มือกระทองเราอิ่มมันไม่หิวจิตที่มันหิวคือจิตที่มันไม่อิ่มมันหิวอะไรหิวรูปหิวเสียงหิวอารมณ์จิตมันหิวเดี๋ยวโดดไปเราพูดเดี๋ยวโดดไปเรานี้เราพูดใช้คำุประมาณว่าจิตหิวหิวอารมณ์เพื่อที่จะมาเทียบกับกายว่ากายพวกเราไม่หิวหิวท่า ธาตุเดีานน้ําหิวอาหารร่างกายหิวหิวธาตุอาหารแต่จิตของเรามันหิวอ า, ารมณ์จิตของเราหิวอ า, ารมณ์อ า, ารมณ์นี้มีทั้งอ า, ารมณ์กิเลสมีทั้งั้งอ า, ารมณ์ที่เป็นธรรมเราพยายามทําฉันทะคือความพอใจกับอ า, ารมณ์ที่เป็นธรรมพุทโธพุทโธ โ, ทท โ, ททโทยนี่ใช่หรือไง เวลาลงไปเท่าไรก็ช่างแต่ขยับอยู่กันแค่นี้แหละถ้าเราไปคิดมากไปปรุงมากเหตุผลมากมันคิดไม่ถึงคิดไม่ได้คิดไม่ทันจำไม่ได้สับสนวุ่นวายไปหมดอยู่กับความรู้สึกแค่นี้แหละเดี๋ยวผมสงบใจผงนั้นจะเริ่มสะสมขึ้นมาเป็นพลังขึ้นมาเหมือนเราเอาแบตเตอรี่ไปชาร์จให้ไฟเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น่มขึ้น ที่เราจะใช้ไฟกลางวันโดยตรงกลางคืนเราเก็บไฟที่เราเก็บในหม้อแบตเตอรี่มาใช้ได้เราเก็บในหม้อแบตเตอรี่มือนอย่างเรามีแผ่นโซล่าเซลล์แล้วก็มีซลและ Soul, แบตเตอรี่สำหรับเก็บไฟถ้าเราใช้กระแสตรงมันส่งมาเราใช้หมดส่งมาเราใช้หมดส่งมาเราใช้หมดพอหมุนปั๊บไม่มีอะไรใช้มันไม่มีอะไรส่งโดยที่มันดับไปแล้วไม่มีอะไรส่งแต่เรามีหม้อแบตเตอรี่ ซึงเราเปรียบเทียบมาที่สมาธิลุงตาท่านย้ำเน้นว่าสมถะนะวิปัสานาสมถะวิปัสานาสมาธิปัญญาสมาธิปัญญาให้ไปด้วยกันปัญญาก็เป็นเหตุให้เกิดสมาธิสมาธิก็เป็นเหตุให้เกิดปัญญาเราแช่กันพูดเฉยๆทั้งีสมาธิว่าปัญญาแต่เวลามันเกิดขึ้นมาใจเรารับรู้รับทรา บ, ร บ, รบเข้าใจไม่ต้องถามใครเลย ปัจจุบันรู้อยู่ที่ใจเรารู้อยู่จะกอดใจของเราเหมือนร่างกายเราหิวร่างกายเราอิ่มใครต้องบอกเราเฮ้ยเราเอิ่มหรือยังเฮ่หิวอีกหรือยังเราทราบด้วยตัวตั ว, วเองจ้ะหิวไม่หยุดหยุดเองหิวอิ่มอิ่มก็หยุดเองเพราะหิวหิวมันก็สอบหาใสา่้าไปเองไม่มีไม่ไมีมใครบอกหาเข้ามา ยังไม่หิวยังไม่หิวเอามากองไว้กินก็ไม่ได้เพราะมันยังไม่หิวบางทีจิมตึ ง, ตงก็ฟื้นใส่เข้าไปก็ยังพอได้เี๋เราพูดอย่างเงี้ยปมาใจของเรามันอิมอ่มิ่ด้วยความสงบอิ่มด้วยพลังที่เราเก็บสะสมเอาไว้เพราะฉะนั้นท่านจึงให้เริ่มต้นด้วยการทั้งใจทง ใ, ใจสงบ โอกาสต่อไปหรือช่วงต่อไปในระยะเวลาเดียวกันเราค่อยเจริญวิปัสนาคือพิจารณาตา ม, มหลักมาสิติปัทานนั่นแหละกําหนดมาที่กายกำหนดมาที่เวทนากําหนดมาที่จิต <c oughs> กําหนดมาที่อะไรได้ทั้งหมดมันเป็นงานลมใหญ่ถึงใจหมดกำหนดไปที่ทำทำมารมทำมารมคําว่าทำในทีนี้ คำว่าทำในมหาสติปัฏฐานในทีหมายถึงทำมารมมันเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในใจเช่นอย่างเราพิจารณากองทุกข์กองทุกข์ที่เป็นทำมารมภายในใจเราไปย้อนไปดูสุนทัยพิจารณากองทุกข์แล้วก็ย้อนไปดูสุนทัยพิจารณากองทุกข์แล้วพิจารณาตัวใจมันก็ถูกกองทุกข์แล้วมาพิจารณาตัวกายมันก็เป็นกองทุกข์เพราะกายเป็นกองทุกข์ใจเป็นกองทุกข์ ใจของเรากับใจของพระพุทธเจ้าไม่เหมือนกันต่างกันเพราะใจของเราเน่ยมีกิเลสนั่นแหละคือกองทุกใจของพระพุทธเจ้าไม่มีกิเลสนั่นคือไม่มีกองทุกใจเหมือนกันแต่ใจของท่านหนึ่งเดียวบริสุทธิ์ไม่มีกองทกไม่มีกิเลสละได้หมดแล้วฤิเดชของอวิชาตัญหามันหมดฤทธิหมดเดชมันเหงืนแห้งหายไปหมดถ้าเราจิตของเราเอาสติเอา สมาธิเอาปัญญาของเราแพ่เผามันทุกวันทุกคืนทุกยืนทุกเดินทุกนั่งทุกนอนแพ่ไปเรื่อยเผาเรื่อยแพ่ไปเรื่อยเผาไปเรื่อยก็เหมือนในไม้สดสดใจของเรายัางมีอิเล็กเต็มแพร่ถ้าเราจะเทียบกับเมื่อกับไม้สดสดดูไปใส่ไปตากแดดไปตากไปเรื่อยตากไปเรื่อยความสดของไม้ก็เริ่มเหือดไปเริ่มแห้งไปเริ่มเหือดไปเริ่มแห้งไป กระปรธในใจของเราถ้าเราทําให้ถูกมันก็เริ่มเกินไปให้ไปจะเริ่มรู้จะเริ่มเข้าใจจะเริ่มมีปัญญาจะเริ่มมีความประจาจากจุดประกายเล็กๆอย่าลืมว่าความนึกคิดหรือสังขารปรุงแต่งของเรามันคือขึ้นจากประกายประกายเล็กๆชักชักม้วนไปชักน่นแหลชักเกิดประกายชักเกิดประกายตัวนี้แหละคือตัวสัมผัส ตัวตัวตัวปัญญาที่จะมาสัมผัสให้จับให้เกิดปัญญาให้เกิดความรู้ให้เกิดความเข้าใจคือมันไม่อยู่เท่าเดิมมันไม่คงที่อยู่เท่าเดิมแม้แต่ผู้รู้ของเราก็ไม่อยู่เท่าเดิมไม่อยู่คงที่ไม่อยู่เท่าเดิมมันมีกิริยาเหล่านี้แหละมาสับเปลี่ยนจิตร้ายเป็นไปไม่ให้อยู่เท่าเดิมจิตสงบอยู่จิตสงบแต่ก็มีผู้รู้อยู่ใน สงบจนทิ้งอารมณ์ความพุโทพธโธกุทโธสงบจนทิ้งปีติคือความอิ่มสุบจนสง บ, จ น, สงบจนทิ้งความสุขสงบจนเหลือแต่กับอุเบกขาความเฉยของจิตความสว่างของจิตไม่มีกิริยาประกอบ น, นั่นคือความสงบขันธุขันธุปิจารขันธุปิสมะบัต มันเป็นความสงบที่เราสามารถจะฝึกให้ละเอียดลึกเข้าไปเรื่อยลึกก็ไปเรื่อยลึกก็ไปเรื่อยมันเป็นกําลังที่เราสะสมเราสะสมได้มากเท่าไรเกื้อกูลกับปัญญาที่เรามาคลี่คลายมาพิจารณาเพราะมันเป็นกําลังที่ไม่มีอะไรมาแทรกอ้าวจิตดวงนี้มาใช่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นใช่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นเมือนรูปที่เจ้าของเราท่านได้รูปปัสมาปฏารูปปัสมาบัติและท่านมาลำพึงตั้งอานาปานาสติในวันเปเดือนหกมาแล้ว ในเมื่อสมาธิของท่านเต็มแปรและเอียดถึงขนาดนั้นแล้วจิตของท่านเอาไปใช้กลับอะไรก็อยู่อย่งอยู่กับสิ่งเดียวไม่มีอย่างอื่นมาแทรกไม่มีอะไรมาแทรกเพราะฉะนั้นนั่นแหละความสงบอันนั้นน่ะเอามาหมุนกับปัญญานั่นแหะนั่นแหละคือตัวตปะปาทำเอามาแผ่มาเผาเห็นไหมในปฐมยาณพระองได้มรรลุกญาณอย่างระลึกชาติของพระองค์ได้ชาติญาณเต็เบื้องหลพบชาติเต็เบื้องหลังระลึกได้หมด พยายามทำกลางราธีระลึกงได้ความเกิดได้ของสัตว์เกิดตายเกิดตายเกิดตายด้วยบุญดืรร้อกำตัวเราเองก็เกิดตายด้วยบุญดืรร้อกำตั้งแต่ปฐมยามพยายามทำกลางของราธีเห็นการเกิดการตายของสัตว์เปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมเดินชาติไปเรื่อยไม่รู้จักจบเพราะอะไรพระจิตของเรงาก็ไม่ใช้อย่างไรเขเป็นอยงานใช้อย่างไรเขเป็นอย่างานนี่คือพลังของความสงบ เราเห็นอนํานาจของความสงบไหเห็นพลังของความสงบไหมในความสงบนั้นนะ่ะเวลาเรามาทําทงานอย่างเต็มที่มันก็เป็นเหตุให้เกิดความรู้ความเห็นได้ง่ายขึ้นเนี่มันเกิ ด, ดๆๆยานตั้งแต่พระโธมยามยามท่ากลางก็เกิดจุดตัวปปัตยานยามสุดท้ายตัตจิมุยามเอาความสงบ ก, กับสติกับสมาธิกับปัญญาไปแพร่ไปเผาพระองค์ไม่ได้มาไลา่พิจารณาตามหลัก มันอย่างที่พวกเราเรียนมันอยากเขาเรียนว่าให้เรียนที่พระองค์สอนแล้วเนี่ยไม่มีไม่มีใครมา <c oughs> <ances> ว่าหลักสูตรให้พระองค์เรียนพระองค์อาศัยความภาคความเบียดนมุ้นอยู่ข้างในเนีน่ยมุ้นแผดไปเผ า, า, าไปเผาไปเผามาไล่ ai, ไปไล่มาตละล่ำไปะตละล่ำไ่ไล่เหี้ยไล่ผลนี่แหละเพราะฉะนั้เเนเวลาพระองค์ได้อาศัยขยะย า, ยไะานไปแลว้วถือว่าพ้นไปแล้วพ้นทุกพ้นโทษได้วิมุตต์ได้หลุดได้พ้นไปแล้ว พระองค์จึงมาตรอมากรองตาเห็นไหมเช่อย่างพระองค์ยืนพิจารณาในต้นอะไรเนี่ยพิจารณาปฏิจจสมุปบาทก็อันนี้ก็คือสายงานสายงานของกิเลสเกิดของกิเลสดับแลักของปฏิจจสมุปบาทคือธรรมชาติของมันมันเกิดมันเกิดตามธรรมชาติอย่างนี้โดยลําดับอย่างนี้มันดบมันก็ดับโดยลําดับอย่างนี้แต่ว่าสิ่งที่ดำนั่นคืออะไรสิ่งที่ดำนั่นคือความยาก ตัญหามันดำเพราะจิตตรงนั้นเป็นจิตมีวิ ช, ชาเต็มแปร่สว่างร่อยู่อวิ ช, ชาไม่มีมุมมืดเงามืดในจิตตรงนั้นไม่มีไม่เงาเดยวสว่างรอยู่ทุ้งหมดจิตตรงนั้นสว่างเขาเกิดวิ ช, ชาเต็ม <c oughs> เกิดญาณเกิดปัญญาเกิดวิชาเกิดแสงสว่างเกิดความรู้เกิดความเห็นจุดเกิดญาณอสังขายาญาทราบว่าภายในพระไตรปิฎกหมดแล้วสิ่งที่ทราบมากที่สุดคือกลเลตนาธาทราบว่าภายในพระไตรปิฎกือแห้งหายไปหมดแล้วหายไปไหนไม่รู้ เพราะสมุดไทยสมุดไทยเหล่านี้มันเป็นเป็นมีแต่กิริยาอาการคือกิริยาการของจิตนเองคือจิตของเรามันยังไม่ถูกซักฟอกยังไม่ถูกชะล้างขัดเกลามันไม่มีอะไรเป็นหนทาให้เป็นแบบไม่มีคือตัวจิตตัวมันเป็นตัววัตถุดิบจิตของเราของท่านน่มันเป็นตัววัตถุดิบที่เราไม่เคยชัดเคยล้างเคยขัดเคยเกลา เราไม่เคยเอ า, าเจียร์อะไรพระพุทธเจ้าถ้าจริงเป็นช่างเจียรนอะรเกียรจิตนี่แหละเสร็จแล้วก็เอามาสั่งสอนเจียร์อะจิตของภาษ า, วาพวกเันความรู้ของพระองค์ทรงเต็มแพร่รงไม่มีปกไม่มีปกพร่องสัพพยุตญาณสัพพันยุตญาณสัพยยสพยุตญาณรู้บดทุกสิทุอย่าง หลังจากพองผ่านการมันลุกวิมุต ห, หุนพ้นไปแล้วไม่มีลองผิดลองถูกไม่มีรู้จ้าเจ็มแจ้งทั้ ห, หมดจับใส่ปั๊บปั๊บปั๊ปับปปับไม่มีลองผิดลองถูกไม่มีแต่ตอนมันเป็นห้าปีหกปีนี่ลองผิดลองถูกนี่ใช่เพราะมันยังไม่เปลี่ยนยังไม่ได้นี่เราผู้ให้เห็นความสําคัญของความสงบคนที่จะมีความสงบคือคนที่ไม่เข้าใจความสงบไม่รู้เรื่องของความสงบ ในความสงมบนั้นมีปัญญาอยู่ในนั้นเวลาเรทํางานจริงๆเป็นปัญญาเป็นปัญญายาเป็นปิปัสนาญาสมาธิก็อยู่ในนั้นปัญญาไม่อยู่ในนั้นอาศัยสิ่งเหล่า น, นี้เลยอบรมบ่มจนเกิดเป็นยานัทธสนะขึ้นมาเกิดยังจิตลงใส่เท่านั้นเองเกิดความรู้เกิดความเห็นบ่อขึ้นมาทันที ที่ไม่สะอาดจิต ท, ที่สกปรกจิตที่ไม่บริสุทธิ์จนเหลือจิตที่บริสุทธิ์หนึ่งเดียวเหลือแต่ธาตุรู้ที่บริสุทธิ์หนึ่งเดียวธาตุที่บริสุทธิ์กับธาตุที่ไม่บริสุทธิทททททททม์มันปนเปื้อนมาด้วยกันเหมือนอยา่างจิตของพวกเราเนยมีธาตุกิเลสที่มันไม่บริสุทธิ์มันปนเปื้อนมาด้วยทําไมมันถึงปนเปื้อนมามันกพ็พัฒนามาตามรูปแบบของมัน เพราะมันเป็นธาตุดิบที่เรายังไม่เคยฝึกถ้าไม่มีพุทธเจ้ามาบัตวิชานี้ไม่มีใครมาพาละาชะเราลา้ลางเราขัดเราเปล่าพุทธเจ้าฝึกให้สิ่งที่เป็นมลทินของผู้รู้เหล่านี้งงเงืนแห้งหายไปไม่มีฉะนั้นพวกพรามณ์เขาก็สําคัญแค่รูปปัสมาบัติอรมณ์ ป, ปัสมาบาัตินั่นแหละนั่นแหละคือนิพพานของเขาเพราะเข้าไปได้แค่นั้นแต่พุทธเจ้าสร้างาบารมีมากมายมหาศาลทั้งประเภท ปัญญาที่กัทั้งประเภทศรัทธาธิกะทั้งประเภทวิทยาที่กะดสิบหกสงไขเสียนมากับพราดูดิท่านตั้งใจสังส่งโสบรมมาโน่นงานขนาด น, นั้นทำไมสิ่งนี้ยังติดใไม่ได้ถ้าพถึงทานกับทานบารมีทานบาร ม, ารมีให้อวัยวะเป็นทานทานปรัมัตธบารมีให้ชีวิตเป็นทานขอยอมเอาอวัยวะแรกขอยอมเอาชีวิตแรก ขอให้ได้วิชาความรู้อันนี้นี่คือพระพุทธเจ้าขอได้ขอได้ขอได้ตายก็ช่างเถิดขอได้ขอได้เด็ดขาดนี่คือพระพุทธเจ้าไม่งั้นวิวิชาวิสิทขนาดนี้ท่านรู้ไม่ได้ท่านเข้าใจไม่ได้พวกพราหมณ์เขาฝึกแค่รูปปสสาวะบัติรูปสมบัติเขาก็เปจนอยู่แค่นั้นหาช่องออไม่เจอมีอยู่สมาธิฝึกมาในโลก มีมาไปจําโลกแต่สิ่งเหล่า น, นี้พุทธเจ้าท่านเป็น ผ, ผู้มาพัฒนาให้เกิดการเกือกูลเอาสิ่งเหล่านี้นมาก็ะเด็น เ, เป็นปัจจัยแล้วมาพิจนารณาเกิดปัญญาปัญญาจึงจะเป็นไปได้ใช่ไหมปัญญาเป็นไปได้พวกพราหมณนั้นทะลุไปไม่ได้แต่พุทธเจ้าทะลุไปหมดพวกพราหต้องการให้เป็นหัตตาต้องการให้มีผู้เสพสุขเสมอสุขแต่พุทธเจ้าธรว่าไม่ใช่ มันเป็นอัตตาเราต้องบอกได้โดยเหตุที่เราบอกมันไม่ได้เรารู้พิจารณารู้แล้วก็ปล่อยพิจารณารู้แล้วแล้วก็ปล่อยเพราะฉะนั้นโรคจึงจึงหลุดไปได้จึงพ้นไปได้พอเวลาห ล, ลุดไปแล้วพ้นไปแล้วถึงความสุ ข, ร ป, สขประมุขสุขประมังสุขังเรารู้พระพุทธเจ้าอัจฉริย์ความรู้ที่บอกได้ตรัสรู้มานีิอัจฉรย์มากถึงแม้ว่าพราจะอธรรมา เทศให้ปัญจวัคคีฝังกัณฑแรกพระสมเทด็จพระนเรศวรได้ลงใจเห็นธรรมแค่องค์เดียวพอมาถึงตอนนี้เหตุปัจจัยไม่ได้ไม่ใช่อยู่ที่พระองค์แล้วเหตุปัจจัยอยู่ที่ผู้ฝังน่ะสมัยท่านจึงดำดิจะไปสอนอุทกประดามบุตรลาลดาวบุตรพอรู้ว่าท่านล่วงไปแล้วโอองค์หนึ่งล่วงไปแล้วเจ็อบวันโอองค์หนึ่งล่วงไปแล้วเมื่อเช้าที่ พลาดจากประโยชน์อันยิ่งใหญ่เพราะทั้งสองท่านนี่จิตละเอียดมากแล้วเพียงแต่ไปเขี่ยชีย้ทางมาทั้งนี้มันนี่โร่ทันทีโอ้พลาดทีแล้วพลาดจากประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ก็เลยต้องนึกถึงคนรอลงมาปัญจวัติขีดคนนอกนั้นจะรู้เรื่องรู้ราวเลยพวกนี้เป็นคนที่เขาสอบแสวงหามากผลอยู่แล้วเป็นผู้ที่บาอยู่แล้วแบบนั้นเถิดเพราะฉะนั้นในเมื่อไม่ได้สอนอาจารย์ทั้งสองก็ต้องมาสอนปัญจวัคคี ปัญจวัคคีย์ก็อินทรีย์ไม่เท่ากันความยิ่งหย่อนเกี่ยวกับสติสมาธิปัญญาไม่เท่ากันสมาธิอาจจะเท่ากันสมมุตินะทั้งหมดนะก็ได้รูปอรู ป, ปสมาบัติทั้งหมดแต่ว่าปัญญาก็ยิ่งย่อนเหมาอกันพิจารณาแรกพระอัญญาปุถุเถริยะจิ๋วนายงตาเห็นธรรมแค่องคเดียว น, นี่ก็เกี่ยวกับบา ร, รมีขอปรารถนาบรรลุธรรมก่อนเอมี่จะน้องปฏิเสธที่บา ร, รมี นิสัยของท่านทําอะไรคอยได้ก่อนหคอยได้ก่อนหนิสัยของท่านเพราะฉะนั้นท่านจึงได้เป็นปฐมภสาบกเป็นภาษาบอกผสมภาษาบอกองค์แรกเป็นปฐมภาษาบกเป็นพูดตรัสรูธรรมตามคําบุคําสอนของพระพุทธเจ้าองค์แรกด้วยได้ดวงตาเห็นธรรมด้วยบทบาลีที่ว่ายามทิจิสมุทิยธรรมสัมปัธนธิโรธธรรมก็คือเห็นไตรลักษณ์นเี้ยานนิจนจ์เห็นทุกข์เห็นอนัตตา เห็นแค่พอทำความรู้ภายในใจว่าโอ้ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่อัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนถ้าเห็นอนัตตาก็เห็นอนัตตายังไม่ยังไม่มีปริมาณมากได้แค่ปริมาณน้อยทำลายสัพกายทิฏฐิสำคัญว่าเป็นตัวเป็นตนได้โอ้เงื่อนงำเงื่อนไกมันเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่ตัวมันไม่ใช่ตนจริงๆ เนี่ยท่านจึงว่าเข้าถึงกระแสธรรมเข้าถึงกระแสธรรมการอย่างกวดเทีเข้าถึงกระแสธรรมพระพุทธเจ้าท่านก็ภาคภูมิใจสิเพราะว่าท่านเป็นคนมาวิจัยวิจารณ์มาทดสอบทดลองความรู้ที่พ ร, ระอาบรรลุ ม, มาเราไม่สงสัยนะในในประเทศไทยของเรแต่ทําไมถึงผลถึงเกิดไม่ได้กับสามสี่องค์นั้ก็เพราะมันขึ้นอยู่กับเราไม่ใช่อยู่กับท่านเหตุปัจจัยอยู่ที่เรา คือค่อยๆมาขยับค่อยๆมาขัดมาสีเข้าไปแสดงธรรมการที่สองท่านเรียกว่าธรรมะเป็นตะล็กการที่สามการที่สี่การที่ห้าจนบัญจับขีได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เป็นได้ลงต่าธรรมเหมือนกันทั้งหมดเสียแล้วพระองค์จึงแสดงนัตตลกนณตสงฆ์นะเป็นสงใหญ่เลยเนี่ยเป็นผูกเป็นพระอิยักษ์ทั้งหมดนะเป็นกษัตาิบัณ ขึ้นไปถือว่าเป็นพระอเนบุคคลเป็นผู้เห็นกระแสธรรมนะเห็นว่ากระแสตอนนี้มันจะไหลไปไหนไหลไปไหนไหล ไ, ไปตกที่ไหนเมื่อกระแสน้ามันไหลตกไหลจากแม่น้ําไหาลแล้วไหลไปเลยจนมันตกทะเลพรตกกระแสนะพราะการแสดงอนัตตาขนะสูสะดพอแสดงอนัตตาขนะสูตรจบพูดถึงสงภาพที่ยืดไม่ได้ถึงไม่ได้สิ่อ ย, ย่างนั้นต่าง ปัจจุบันทั้งอาหารได้เป็นผับอาหารทั้งหมดนี่เราก็เลยมาขยายความข้อนี้ให้เราเพื่อจะให้ทราบว่าความสําคัญของสมาธิความสําคัญของปัญญาย้อนมาหนึ่งที่จิตของเราจิตของเราเราก็จะต้องมาพัฒนาสติสัมผััญญาของเราด้วยเพราะสติสัมผััญญาเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้เกิดสมาธิแล้วก็สมาธิ เป็นห ป, ป็นเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้การทํางานทางน้างตัญญาได้ผลเนื่องจาก จ, จิตของเรานิ่งเหมือน่อเรานั่งจ้องดูอยา่างไรอย่างนึ่งมันก็ยังย่อมจะเห็นชัดกว่าเห็นชัดกว่าที่เรานั่งบนรถแล้วก็ดูดูข้อข้างที่รถมันวิ่งไปมันจะเห็นอะไรได้ชัดมันไม่เห็นมันนี่เหมือนเราดูยืนดูมันนีเหมือนเรานั่งจ้อง จิตที่สงบแล้วก็นั่งจ้องดูจิตที่สงบเอาจิตที่สงบมาพิจารณาปัญญาเหมือนเรานั่งจ้องล ง, ง, เ, งรญญ เ, เราย่อมเห็นเห็นเหตุเห็นปัจจัยของมันโอ้เห็นปัจจัยนี้มายี่นี้มายี่นี่มีโอ้เห็นปัจจัยล่านี้มันไม่ใช่อัตตามันอนัตตาพระยาประโขจึงวางราวฐานไว้นนจักทุกขันอนัตตา คือทุกอย il, days, ่างมันไม่อย so, ู่เท่าเดิมเสียงอยู่เท่าเดิมไหมหูกับเสียงให้มันอยู่เท่าเดิมไหมตากับรูปอยู่เท่าเดิมมมันไม่อยู่เท่าเดิมไม่มีอะไรอยู่เท่าเดิมร่างกายของเราอาการ32อยู่เท่าเดิมไหมไม่มีอะไรอยู่เท่าเดิมทุกอย่างเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปอาการและอย่างเปลี่ยนไปยิ่งเรามาดูอาการของจิตของเราด้วยแล้วเปลี่ยนไปเปลี่ยนไป ขณะนี้เป็นนี้ขณะต่อไปเป็นอย่งั้นขณะต่อไปเป็นนะฮะมันเปลียนมันเปลี่ยนเป็นขณะขณะขณะขณะขณะขณะขณะนี้โง่หน้าหน้าเราดำรงสติสมาธิให้แน่นให้ให้แน่นหนามันเกิดปัญญาปัญญาปัญญาปัญญาขณะแต่ละขณะมันเกิดขึ้นขณะใหม่มันก็ไปทําลายขณะเก่าขณะใหม่มันไปทําลายขณะเก่าเราเคยโง่เง่ามาเท่ายหรนั่นเป็นของขณะเก่า ปัญญาเกิดขึ้นใหม่เป็นขนาดใหม่ของจิต ท, ที่เราพัฒนาขึ้นมามันยิ่งเพิ่มขึ้นเยอะเริ่มมีแรงเริ่มมีเรี่ยวแรงเริ่มมีกำลังเริ่มมีปัญญาเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะเห็นละเอียดเข้าไปเราเห็นได้ดูมา ท, ทีจิตของเราพัฒนาจิตพัฒนาสติพัฒนาสติพัฒนาจิตวิธีพัฒนาจิตไม่มีวิธีไหนเกินวิธีที่บุญเจ้าทัานสอนท่านกำบอกยุ วิธีทําให้เกิดปัญญาสุตตะจินตะภาวนาสุตะได้ยินได้ฟังมันนึกมันคิดมาใคร่มันรวนเป็นจินตะนึกคิดใคร่ครวนแล้วสมเหตุสมผลแล้วตั้งอกตั้งใจขัดสีธรรมเป็นภาวนาคําว่าภาวนาคือทําซ้ําเหมือนอย่างเราบวชกับพุทโธพุทโธเราเป็นท่องทําไมพุทโธแล้วเอาพุทโธเป็นเครื่องผูกจิดให้อยู่ ไม่ให้จิตเรามีอารมณ์สองให้มีอยู่แอารมณ์จนจิตมันอิพราะมันอิ่อมแล้วมันทิ้งอารมณ์ทิ้งอารมณ์เอออิ่มมีความสว่างสวยมีความเบาสบายปลอดโปร ม, มีความสุขแบบนั้นจนเหงาเบีขาเอตตัตตามันจะพัฒนาออกไปข้ามันแต่เราไม่จำเป็นต้องเรียนที่ขนาดนั้น แค่เราทำเป็นวิจตวิจารันจะพิจารณาไปเป็นครัเป็นครั้ ง, เ ป, งเป็นครั้งไปวิจกวิจารจอยู่กับวิจวิจารอนาจวิตกคือนึกคิดตรตรองวิจารคือประคองจิต ด, ดวงเดียวมันอยู่ในลกในจิต ด, ดวงเดียวนี้ทั้งหมดเราไม่ต้องปไปไล่ที่ตรงที่นี่ดูมาที่จิตของเราอ ย, อยู่ในนี้ทั้งหมด กิริยาอาการของธรรมทั้งหลายที่ปุริยทัศน์ทรงบัญญัติชื่อของมันมามิโยในจิตของเราทั้งหมดดูมาให้เห็นอาการของมันไม่รู้จัากไปเชื่อมันสิ่งใดสิ่งหนึ่งยังยินจิสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีควาดับไปเป็นธรรมดาท่านไม่ท่านไม่เห็นออกชื่อของมันสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดา ไม่รู้เป็นอะไรชื่ออะไรไม่รู้วก็ใหญ่ไม่จะเป็นยังอินจิสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาคำว่าธรรมดาคือสามัญยักลักษณะทั่วทวไปมีอยู่ที่ไหนเป็นอยู่ที่ไหนก็เป็นเหมือนกันที่เทววันธรมธรมดาธรรมดาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วกแปรไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็แปรไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็แปรไปแต่ตัณหาในใจของค น, ม, นมันชอบ ตั้งเกิดขึ้นยังไงก็อยู่อย่างนั้นเกิดยังไงยังไงก็ให้อยู่อย่างนั้นไม่ให้มันเปลี่ยนไปอย่างอื่นต้องการให้มันสุขขังต้องการให้มันนิจจังคือเที่ยงต้องการให้สุขขั ง, ง, ขขงไม่ต้องการให้ทุก ข, ขั ง, ไ ม, ง, ขขงไม่ต้องการให้เปลี่ยนไปทุก ข, ขังทุก ข, ข, ข, ขงังกิริยาการของไตรลักษณ์ร่างกายของเราทุกคือเปลี่ยนไปสแสดงกิริยาให้เห็น อย่างผมงออย่างเงี้ยหนังเหยวฟันหักแก้มต่อเงี้ยนเป็นนเป็นกิริยาเป็นกิริยาของทุกขลักษณะทุกขลักษณะนี้มีคนก็มีวัตถุอยู่รอบข้างตัวเราก็มีมันเปลี่ยนไปของมันเก่าแก่ชราคร่ำคร่าแต่มนุษย์เรามีวิญญาณครอง มีวิญญาณมาครองธาตุกันรูปมันก็เป็นส่วนรูปหลังจากมัน ม, มาวันแล้วนะรูปก็เป็นส่วนรูปนามคือจิตก็เป็นส่วนของจิตบังคับกันไม่ได้บังคับได้แค่กีริยาบดบังคับให้ยืนให้เดินให้นั่งให้นอนให้ดื่มให้กินให้พูดให้คิดบังคับได้แค่อีริยา บ, บ, บยเดนนเดนะดบบดบนท่านั้นเองกิริยาที่บังคับไม่ให้มันเปลี่ยนไปบังคับไม่ได้ เราเห็นที่ประคับไม่ได้มันอยู่เท่าเดิมไม่ได้ในปริญญาโทระดนี่แหละทุกขังทุกลักษณะทุกขังทุกขังประคับอะไรอยู่คงเดิมได้ไหมเสื้อผ้าพอที่เรามีเราใช้สอยถูกอกถูกใจเลือเกินาใช้ไปแกไปใช้ไปขาดไปมีอะไรอยู่เท่าเดิมไม่มีไม่มีอะไรอยู่เท่าเดิมธาตุขันของเราเปลี่ยนไปตามอายุไขอยู่ในร ะ, ระหว่างเจริญเจริญคุณเจริญขึ้น เราไว้เฉยๆถึงก็ไว้เสื่อมเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมหมดเต็มที่หมดอายุไขทิ้งไปเหมือนพลไม้หลุดจากขั้วถูกเขย่าหรือไม่ถูกเขย่ามีลมพัดหรือไม่มีลมพัดลมโชกหรือไม่มีลมโชกหลุดตักลงมาแล้วมันหมดยาร่างกายของเรามันหมดยาระบบกระบอบมันใช้งานอะไรไม่ได้หยุด วิญญาณยิ่เต้นตายพอตายแล้วก็จะเริ่มแยกกันแล้วอันนัก็จะแยกไปเป็นดินอันนันจะแยกไปเป็นน้ำอันนัก็จะแยกไปเป็นลมเราดูอย่างนี้ดูให้เห็นให้ใหเห็นความเปลี่ยนไปของร่างกายของเราจใจมังคับได้ไหมไม่ให้มันแก่ไม่ให้มันเจ็บไม่ให้เป็นโรคมป็นโรคดีมันคับไม่ได้ไม่ให้มันตายมังคับไม่ได้ โดเห็นที่บังคับไม่ได้นี่เองพระเจ้าท่านจึงทรงตรัสรูานี้แหละอนันตตาถ้าเป็นอันตตามันต้องบังคับได้เพราะฉะนั้นปล่อยพิจารนารู้เห็นแล้วปล่อยพิจารนารู้เห็นแล้วปล่อยรู้เห็นแล้วมันปล่อยมัเองอยากปล่อยอย่างปล่อยแต่ไม่รู้ไม่เห็นมันยังกำนั่นอยู่มันไม่เห็นไม่เห็นโทษมันยังไม่เห็นโทษมันไม่เห็นโทษมันก็ยึดอยู่นั่นแหละก็เหมอนอย่างได้ยินเราฟังเขาถึงทําถึงทําถึงทํา ในเมื่อมันปล่อยไม่ได้ก็ยอยู่อย่างนั้นแหละไม่รู้ว่าเป็ น, ปนโทษแต่ถ้าเร า, เราเห็นว่ามันเป็นโทษ้ราคางหลกโห อ, อะไรอะไรสัมพันธ้วจะว่าไปแต่ตรงกันข้ามก็พวกที่มีลักษณะเหมือนกันอะไรที่ว่ารำคาญแต่สำหรับนักปฏิบัติแ ล, แล้วไม่รำคาญเสียงรบกเสียงรูปรุรู ป, รปเป็นเหตุเป็นปจัจจัยเราเอามาพิจารณาต่อปัญญาสไป เป็นเเป็นปัจจัยอามาหยุดประกายเกิดสติเกิดปัญญาอันนี้แหละคือวิชาชั้นเชี่ยมในหัวใจของเราใครสามารถมาเดินเพื่อสเส้นหาวิชาเหล่านี้กาให้ติดอยู่ในหัวใจของเราถือว่าชีวิตของเราได้ใช้อยู่อีกระดับหนึ่งเงือระดับธรรมาธรรมดาเนพื้นธรรมดา ทำให้ั้นเราไม่เข้าใจในเรื่องเรื่องสิ่งเหล่านี้เราอยู่ภายใต้อำนาจของความหลบทุกระยะทุกวันทุกเวลาทุกนาทีเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็นตายกี่กรับกี่ครก็เกิดแก่เจ็บตายวัฏสงสารไม่มีไม่มีสั้นไม่มีย่อไม่มีย่นเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายอยู่นั้นแหละวัฏสงสารสังสารวัฏเกิดแก่เจ็บตายเกิดแกเจ็บตายวัฏสงสารสังสารวัฏอยู่นั้นเดียวกทนั้น สิ่งที่พาเกิดแก่เจ็บตายสังสารวัตรก็คือกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากนั่นแหะนั่นคือเจ้าพีจ่จอมนอนแตกิเลสย้อนไปที่ใจที่เราพยายามพูดคือเกิดความเข้าใจใจคือผู้รู้คือธาตุารู้ถ้ารู้เราปนเพื่อนเราไม่เคยชะเคยล้างเราไม่เคยมาสะมขัดมาสีเป็นวัตถุดิบๆไม่เคยเอามาปรับมาใช้ มันมีอะไรเกิดขึ้นมายอย่างไรหามันเป็นมาตามกจิตตามนิสัยอัตภาพร่างกายของเราไม่คงที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปจิตใจของเราอารมณ์ไม่คงที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปพฤติกรรมที่เราทำํำบนโลกใบนี้เราก็ทําไม่สม่าเสมอทํารีบ้างทําชั่วบ้างทําชั่วบ้างทํารีบ้างพฤติกรรมเหล่านี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยรวมตะล่อมหล่อให้เราได้พบใหม่เป็นพลังของใจเพราะฉะนั้นพบช่างของเราก็ไม่คงที่ เดี๋ยวไปเปลนนู่นเดี๋ยวไปเป็นนี่เดี๋ยวเปลี่ยนไปเปลี่ยนนี่เดี๋ยวเปลี่ยนไปเปลี่ยนนู่นเดี๋ยวมาเกิดเป็นคนเป็นคนเหมือนกันนี่แหละสมมติอย่าห้ารอชาติมาเกิดเป็นแต่คนเกิดมาแล้วสุขทุกข์ก็ไม่เท่ากันความโง่ความฉลาดความเป็นอยู่เกียรติยศศักดิ์ศรีอะไรก็ไม่เท่ากันไม่เคยมีอะไรเท่ากันเพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับเหตุกับปัจจัยทั้งนั้นเราจัำยังยินได้เราจับหนักได้ เหตุปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือเหตุปัจจัยที่เป็นเหตุตล่อมหลอ ม, ลอมรวมหมายเกิดกองสังขารเนียประเด็น เ, เราได้พิจารณากองสังขารสิ่งพุ่งสิ่งประกอบตั้งแต่สองสิ่งเป็นต้นไปเรียกว่ากองสังขารจิตของเราเป็นกองสังขารจิตของเราประกอบไปด้วยกิเลสนั่นคือกองสังขารเกิดขึ้นแล้วทุกโทษสารพัดเหตุปัจจัยสารพัด ตามมาให้เกิดผลสารพัดอยู่ในนั้นร่างกายของเราทั้งว่าแยกแยะพอประมาณดินน้ําลมไฟดินน้ําลมไฟดินท่าดินท่าน้ํา่าลมท่าไฟสิ่งพุ่งสิ่งแต่งสิ่งประกอบเราได้มาจากพ่อแม่ได้มาจากทอมแม่เราได้โครงสร้างมาจากพ่อแม่ออกมาแล้วเราต้องใส่สิ่งที่เป็นพืนเป็นที่เป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟเข้าไปคืออาหารอารม ดินน้าลมไฟมันไปกับอะไรมันก็ไปกับอาหารอาหารนั้นแต่อาศัยว่าโครงสร้างเราได้มาแล้วได้มาจากพ่อจากแม่ด้วยเหตุที่เราไปปฏิ บ, บัติตามนะระบบระบบอของการอุรบัติเป็นมนุษย์การถือกําเนิดเป็นมนุษย์พอไปจับตัวนั้นมีวิญญาณมีธาตุรู้ไปจับไปจองตัวนั้นพัฒนาตาบอดต่างแข็งแรงมาได้รูปประทก็เริ่มแข็งแรงขึ้นมาน้าประทับก็เริ่มแข็งแรง เวลามันไปไปไประโจบเหมาะสิ่งนี้มันเป็นผลของกรรมโอ้ oh. ทำเหยนนั้นมาได้เหยนนี้เราไปได้อย่างนี้เพราะเราได้กรรมทำกรรมอย่างนั้นทํากรรมอย่างนั้นเพราะได้ทำได้กรรมอย่างนี้ก็คือคุณสมบัติของจิต น, นั่นเองคุณสมบัติของจิตเราไปฝึกฝนอบรมดีมามีความรู้มีสติมีปัญญามีความเฉลียวฉลาดมีความรอบรอบก็คือคุณสมบัติของจิตคุณสมบัติของจิตนี่แหละ แปลพบแปลชาติว่าไปไม่มีจกไม่มีจุดจ บ, จบไม่มีที่จกนี่จนเป็นเป็นเหตุพัฒนามาให้เกิดมาหาบุรุษคือพระพุทธเจา้ามาสอนสัจงารจนมนุษย์คุณธรรมเหล่านี้แล้วมาบอกวสวนรค์เราตั้งมาเป็นพุทธบริษัทนะมีภิกษุภิกษุณีบาสุกบาจิกาเป็นพระพุทธศาสนาพระองค์เป็นศาสนาเอกของโลก เป็นศาสนาหนึ่งเดียวที่ทําให้เราพ้นรุ่งพ้นโทษในวัฏฏะสงสารไปได้ศาน ส, สนานอกนั้นปลอยไปตามวัฏฏะสงสารเหมือนกับม า, ม า, มาเตรียมตัวคอยเพื่อที่จะมาะเข้ารวมกับศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราเตรียมตัวคอยเช่นอย่างพวกเชดินอย่างนี้เท่ากับเขาไปเตรียมตัวคอยของพระพุทธเจ้าเพราะเวลาพระพุทธเจ้าไปเทศเทศได้ทั้งหมดเพิ่งเดียวได้เป็นพระอรหันต์ทั้งหมด ห น, นึ่งพันพันหนึ่ันสาชลินทั้งหนึ่งันสามแม่พระอรหันต์จ็ไปหมดเป็นพันๆเลยไหมปลื้งเดียวหนึ่งเมือเขาไปเตรียมตัวคอนกิจเจ้า<ม>เขาได้นิพพานโย<ม>นิพพานของเขาคืออะไรเราไม่รู้นิพพานที่แท้จริงไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าท่านจึงไปเทศจี้ใจจิ้มใจดำขเขาโอ้ยเธอสําคัญแต่ว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์ข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอรหันต์เธอก็ยังไม่รู้จัก แทงใจดําเลยอทําไมมันแซ่บอร่อยละเกินขนาดนี้หัวเข่าอ่อนลงโยกโยกกระปลๆหัวกระปุกได้บวชได้บวชได้บวชพาบริษัทบวชหมดเห็นไหมเตรียมตัวเพื่อมาได้รับธรรมดำหลักคำสอนของพระพุเจ้าพวกเราเป็นผู้โชคดีมีโอกาสและเจียวเข้ากับสิ่งเหล่านี้ึงงเรื่อยๆบ่อยๆพยายามทําจุดประกายเล็กๆให้เกิดให้มีขึ้นกุญแจอย่าไม่จำเป็นตีเตรียมตัวเอง ไม่มีใครมีบุญมีภ า, าน honestly, สนาเกินความสาวพยาความขยันมันเป็นตัวเองสะสมเข้าไปเก็บเ right. ล็กผสมน้อยเข้าไปขัดสีขัดสีจากไม้สดสชุ่มเลยยางแล้วยังแช่อยู่ในน้ำขัดสีเข้าไปด้วยสั่นขัดสีเข้าไปเรืยๆขัดสีเข้าไปเรืยก็ระเือดไปเรืยแห้งไปด้วยๆระเบิดไปเรืยแห้งไปเรื่อยๆแห้งเต็มที่ก็ลุกเป็นไฟึ้นมาได้เหมือนกันเพราะทุกอย่างมันเกิดขึ้ี่เตราตั้งใจทําเพียงไร ผลที่มีปราดปฏิทินทั้งสอนเอาไว้แล้วมันก็จะจะต้องเป็นไปตามนั้นเอาละนั่งภาวนามานานพอสมควร <c oughs> เป็นเท่าไหร่ล่ะนั่งภาวนามานานพอสมควรถ้าอยู่กับพุดโธตลอดคนจะต้องสงบเลยไหมเสียงมันสู้เราได้ไหมันดับไปแล้วมันเงียบไปได้ไหมสู้เราไม่ได้ฮ่า มีใครอยู่ได้พอสิครั้งบ้างหรือไปอยู่กับมันตลอดลงหูแล้วเกินพูดว่าแล้วเกินใช่ไหมนะอมเออเสียงค่อยไปแล้วเสียงค่อยไนายังจะไปเก่อเสียงอีกไม่ได้รู้จักใชจของตัวเองเลยซ้าไปเนี่ยโดนท้าทายไหมมันท้าทายแล้วนะมันท้าทายมากต้องตัดหัวตัดใจทำไปเถอะ งนวันน okay. ี้เอาแค่นี้แหละเพราวกเราเหนืยกันทั้งวันเหนื่อยมาหลายวันแลผมนีจะต้องเหนื่อยหนักกว่านี้อีกนะพอสควรแกเวลาอะไรวันนี้อะรยังไม่พอไปทำต่อแล้วแบบดีกว่าเป็นั่งมาเป็นชั่วโมงกันนะ มเอาสักครึ่งชั่วโมงเลยมาเป็นชั่วโมงกันอ่าเปิดไฟเดี๋ยวหลับต่อได้หมื่มือสหน่อยเดี๋ยวหลับต่ออืม คุยกันได้มันอยู่ไกลไหมอาจารย์ใ น, ใ น, รนั่งรถไปครึ่งชั่วโมงสามสิบสี่สิบนาที สูงอีกแล้วจะรู้เรื่องอะไรเขาเอาความดีใจปลอบใจไปเป็นคราวเป็นคราวเป็นคราวเป็นคราว<ม>ถึงคราวนั้นถึงระดับนั้นเขาก็อยู่อย่างนั้นแหละถ้าเราพยายามมาอย่างนี้แล้วเราก็จะไปอย่างนั้นได้ยากนึกว่ามันสูงขึ้นมาแล้วให้มันต่าลงไปมันก็ยากแต่ถ้าปล่อยมันตกลงไปมันก็ตกตีอยูเร็วอยู่ตกไปได้ สิ่งที่เราควรที่จะได้ที่สุดก็คือเวลำเวลาที่เราตั้งใจทุกคนอบรมมาพยายาประคับประคองตัวนี้มันอยู่ให้มันได้ให้มันเพิ่มพูนให้มันพัฒนาอย่ า, อาประโยชน์ทิ้งอย่าประโยชน์ทิ้งอย่าไปคิดว่าผลเล็กน้อยจะไม่ให้ผลที่เราทําเหตุเล็กๆน้อยๆมันจะไม่ให้ผลมีผลให้ผลทั้งนั้น ถึงคราวให้ผลถึงคราวให้ผลเกิน ค, ค่าเเกิน ค, ค่าจริงๆถึงคราวให้ผลเกิน ค, ค่าจริงๆเหมือนมัทกุลีะเแค่เลื่อมสพระพุทธเจ้าแพ็บเดีย ว, ลวเลยนะตายแล้วได้ผลของความเลื่อมสายสถานู่นวิมานอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงสูงแปดสิบโยนแค่เลื่อมสแยเพบเดียวชั่วฟ้าแลมนะเลื่อมสายสถากับพระพุทธเจ้าแป็บเดียวเนี่ย เหตุเล็กน้อยแค่นี้เราดูผลมันต่างกันมากไหมว่ามันเจริญว่าเงินขนาดไหนอย่าไปคิดอะไรย่าไาม่ถึงแบบทำๆๆๆแล้วไม่เคยเห็นอะไรไม่เคยได้อะไรอย่าไปคิดไม่มีเหตุใดทั้งสิ้นที่จะประสิทธิผลไม่มีเหตุใดๆที่จะประสิทธิผลไม่มีผลใดๆที่จะประสิทธิเหตุเป็นธ ร, รมะที่พระพุทธเจ้าท่าสอนมาตลอด เราจนไปชี่อพระระองค์เสรุปลแล้วมีเหตุกับผลทำนั้น เ, เหตุกับผลแค่นั้นเองอริยสัจสี่เขามีเหตุกับผลแค่นั้นเองสมุทัยเป็นเหตุทุกข์เป็นผลมรรคเป็นเหตุนิโรธเป็นผลแต่เหตุอันหนึ่งให้เกิดทุกข์เหตุอันหนึ่งเพื่อดับทุกข์มีแค่นี้จับแค่นี้จะไม่ง่ายไม่ให้เราไปสับสนทรงจิตวุ่นวิ่วิ่ง วุ่นเปิดุ่นวนีคนวุคนนี่คนนะทบพนคนมาพึ่งจะหาทีเด็ดจับจุดตรงนี้เดี๋ยวักระจายไปเข้ามานี่เหมือนไปเช็ช็เดียวเอาไปเผาบ้านหมดทั้งหลังนะเผาบ้านเผาเมืองหมดทั้งบ้านทั้งเมืองไปไปไปเช็กเช็กเดียวเดี๋ยประกายเดียวประกายจุดเดียวตึ๊บเหมือนไปเช็กที่เขาเอา แก๊มาใส่เนี่ยเชค็คแล้วกดแก๊บมันขึ้นมาเลยทั้งสมมติมันใหญ่เต็มห้องหนึง่งเพิ่เดียวเหมือนไงนี่เราประมาว่าเราทําความเพียรเราจุดประกายจากจุดตลกๆเดี๋ยวมันจะใหญ่ๆเข้ามาองอันนี้มันเป็นเรื่องของธรรมแต่เป็นเรื่อง <S <S ถ้าเป็นเรื่องของโลกแหละเราอยากใหญ่ๆๆเราต้องทำมาเล็กๆจบลายเข็มนี่ แต่ถ้าเป็นเรื่องของธรรมเกิดจุดประกายเกิดความเป็นธรรมนะตึ๊บเดียวประกายเล็กๆเนี่ยสมมติเราเปิดแก๊ให้มันออกมาเต็มห้องนี่นะไฟแช็กประกายเดียวนะ่ะตึ๊บหมดตั้งห้องเลอนี่คือธรรมะของพุทธเจ้ า, างั้นท่านยิ่งมาลกวิถูลงวิถูลง ว, ถล ว, ถลวิถูที่ไหนจุดเล็กๆนี่แหละ มันทําให้โลกวิตูเพราะฉะั้ใครเรียนมากใครเรียนน้อยย้ำไปย้ำไปทำมิตัวเองอุย้ยเราเสียเวลาเรียนมากเฉยไม่ได้อะไรไม่รู้อะไรอุย้ยเราไม่ได้ไม่มีความรู้อะไรเลยอ <c oughs> ย้ำไปทำมิตัวเองทำนี่ไม่ได้ไม่เกิดประโยชน์ทําทําทําทําทําทําทํา มันขึ้นอีกแล้ว <laughs> ไปไปเดินแข่งกับมั่น <c oughs>